ขอความสุขความเจริญจง ม, มีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายประสูตธ์ในวันนี้เนื่องจากยังมีลูกติดพันอยู่กับประสูตธ์ก่อนคือพระธรรมบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโทษที่เกิดขึ้นจากการประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุษร้ายสิบประการ จากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วก็มีชี้เห็นอยู่หลายอย่างแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนและเป็นเรื่องที่จะต้องสํารวมระพันระวังเพราะว่าการกระทําเช่นนั้นมีลักษณะเหมือนกับการตอมน้ําลายรถฟ้าหรือวาปลาขุ่นทวนลมคนที่จะได้รับผลก็คือตัวผู้กระทําเองและจะเป็นการได้รับ ในเวลาที่รวดเร็วข้อนี้ทรงแสดงไว้เป็นพระพุทธภาษิตหลายแห่งด้วยกันใช้ข้อความเหมือนกันว่าบุคคลผู้ประทุสร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุสร้ายตอบย่อมเข้าถึงฐานะสิบอย่างใดอย่างหนึ่งโดยพรันโดยใช้รรบาลีว่า โยดันเดนะอันด uh ันเดสุอปดุทเทนะสุดุสติดัสนะมัญญตรังท่านังคิปังเมวมิคัจฉิตคือโดยพลันซึ่งหมายความว่าโอกาสที่จะรับผลนั้นรวดเร็วมากข้อแรกก็คือเวดนังพรุสรัางชาหนึ่งคือเสวยเวทนาคือความทุกข์ทรมานดัดกายบ้างดั้นใจบ้าง อย่างแสบเผ็ดคือรุนแรงคนนี้ต้องมีข้อแม้อยู่ในการปฏิบัติคือคนนั้นจะต้องไม่ประทุษร้ายต่อเราและผลจะเร็วก็อาศัยคุณของผู้ที่เราประทุษร้ายคือท่านมีคุณมากเช่นว่าลูกประทุษร้ายต่อมานดาบิดา หรือพุทธบริษัทพระทุศรายต่อบพระรธนตรยัยประชาชนพระทุศรายต่อบพระพเจ้าแผ่นดินเป็นต้นก็จะประสบทุกขเวทนาทั้งทางกายทางใจในเวลารวดเร็วแล้วก็รุนแรงประการที่สองก็คือสรีรัสะจะเพศนังแต่แปลงยิงก็แปลว่าการแตกทําลายของร่างกาย อ, อาจจะถึงตายก็ได้ วันนี้เมื่อวันซื่อนี้เองมีคนก็ส่งเอกสารมาให้เรื่องหนึ่งเล่าถึงคนเขาบอกว่าเป็นเรื่องเล่าของหลวงปู่ทวดว่าช่างให้ท่านบันทึกเล่าไว้ในสมัยที่ท่านไปอยู่ปัตตานีใหม่ๆว่ามีคนนับถือศาสนาอิสลามคนหนึ่งก็เกิดศรัทธาเรื่มใสในท่านในพระคุทธศาสนานต้องการจะเข้ามาบวช แต่อ่านภาษาไทยก็ไม่ได้แต่ท่องภาษาไทยอะไรก็ไม่จำถทาที่ควรนะฮะแต่เมื่อบวชมาได้แล้วก็รู้สึกว่าคือท่านจับอะไรไม่ได้สักอย่างจะเป็นเพราะความเคยชินในศาสนาของท่านหรือสติปัญญาทึบก็ไม่ทราบตอนในที่สุดหลวงพ่อก็บอกคาถาสองขามให้คือ <c ười> ทุกข์ตทุกข์าถาหนัง ให้ท่านให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวก็ให้ภาวนาไว้เสมอก็เป็นคำที่แปลไม่ออกนะว่ากันตามความเป็นจริงคือเป็นคำที่คนไทยพูดเอามันไม่ใช่ภาษาบาลีแถ้าแปลเป็นบาลีก็จากทุกสู่ทุกเต่ไม่ถูกวยาารณ์ด้วยแต่ว่าในด้านตัวธรรมะแล้วก็เข้าชีทีนี้แกก็นั่งท่องเลยไปที่ไหนก็ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว ให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวก็มีเพื่อนที่นับถือาศาสนาอิสลามของท่านก็มาเลี้ยงโคที่ใกล้วัดก็แวะเข้าไปคุยด้วยก็ได้ยินนั่นท่องคนนั้นบอกว่าไม่จริงหรอกคุณไปเท่เชื่อให้ทุกแก่ท่านนะทุกมันจะถึงเราได้ไงมก็ต้องถึงท่านที่เราใข่มันเป็นไปไม่ได้แก๋ก็บอกไม่รู้หลวงพ่อท่านสอนมาอย่างเงี้ยก็ให้ฉันว่าอย่างเงี้ยฉันก็ว่าตามท่าน เราต้องก็เชื่อท่านก็ถามไปถามมาไอ้คนอิสลามก็ถามอนะ่ะว่าเพื่อนที่เป็นอิสลามนะถามว่าคุณเชื่อคุณเชื่อว่าเป็นความจริงแกก็บอกว่าแกก็เชื่อหลวงพ่อนะว่าเป็นความจริงแต่ว่าจะจริงหรือไม่จริงมันยังไม่เกิดเพื่อนก็บอกว่าแกไม่เชื่อแล้วก็วางแผนที่จะพิสูจน์โดยพิสูจน์แรงไปหน่อยต่เน่ย คือกลับไปบ้านก็ไปทำไอ้ไอ้พวกคล้ายๆโรตีนะฮะใส่ ย, ยาพิษใส่ ย, ยาพิษรุ่งในเชา้าพระองค์นี้ไปบินทบาทแกก็ตักบาทตวายมาให้พระฉันพอดีวันนั้นท่านก็บินทบาทแต่เต็มบาทอาหารแขกกินมาตั้งแต่เด็กก็เลยก็ไม่ชอบฉันเท่าไรเลยไม่ได้ฉัน ไอ้ฉันก็เก็บวางไว้พอตกตอนเย็นไอ้ลูกชายของเพื่อนสองโกนก็มาเที่ยววิ่งเล่นใกล้วัดเรคุ้นเคยกันมาก่อ น, นก็วิ่งมาหาหลวงพ่อก็หิวมานะหลวงพ่อก็เหลือไปเห็นไอ้ไอโรจีสองแผน่นว่ามันก็อยู่ตอนเย็นแล้วก็เห็นไอ้ก็เหมือนกันหลานเขาท่าน่ะมันหิวอยู่ก็เลยส่งไปให้แต่ว่ามันกินคนละแผน่น เสร็จแล้วเด็กกลับไปถึงบ้านมันก็รู้สึกปวดท้องดิ้นรนใหญ่เลยพ่อมันถามว่าไปกินอะไรมาแกก็เล่าฟังอันนี้ก็ตกใจใหญ่นะฮะแล้วลูกก็แก้ไม่ทันมันก็ใส่ยาพิษแรงไปหน่อยก็เลยตายกรนนี้ก็ให้ดูอเองนะฮะว่าไม่ให้ทุกแก่คนอื่นทุกนั้นก็เข้าถึงตัวแต่เป็นการแตกทำลายทางสรีระ ก็มันเกิดแก่ลกูกแต่ว่าประสบเวทนาแสบเผ็ดมันก็เกิดที่พ่อต่อไปก็คือประสบครุ ก, กังวาปีอาปาถังประสบการการอาพาธหรือความป่วยไข้อย่างหนักคือป่วยหนักจากตัวอย่างที่ได้พูดมาแล้วก็คือเรื่องของท่าน เศรษฐีที่ทิ้งโคศกท่า น, นจะเห็นว่าท่านคนนี้ได้หลายอย่างในในสิบอย่างนี้ก็เจอกันหลายอย่างเพราะเป็นการประทุษร้ายต่อคนที่ไม่ประทุษร้ายในตัวอย่างที่มาเคยพบมาด้วยตัวเองและดูจะเคยเล่านานนะครับคือพระรูปหนึ่งนันพระบวชใหม่ ถูกอาจารย์ที่เป็นหลวงพ่อซึ่งเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ให้บวชเรียนถงเสียศึกษาจนให้บวชเรียนไปดุกอกลางคนตอนติเกปุบบด้ดแกโกรธโจดหลวงพ่อเป็นปราชิกเลยก็ไม่มีใครเชื่อถ้ามีคนไปห้ามปรามเอามาเองก็ไปพูดกับแกแกก็ไม่ฟังแต่โจดหลวงพ่อเอาให้หลวงพ่อเสือกได้หลวงพ่ออายุตั้งเกือบเจแล้ว อย่ศึกไปทำอะไรก็ไม่รู้ก็ประมาณสัก 6-7 เจ็ดเดือนนะฮะคือกระโจ์ในบรรษาตอนตอนข้าบรรษาใ ห, ใหม่เราออกภรรษาไปไม่เท่าไหร่เราก็เกิดป่วยหนักขึ้นมาอันนี้สองข้อเลยคือจิตตักเข๋ปังมาปาอุนเนข้อต่อไปด้วยคือถึงความฟุ้งซ่านของจิตในสุดก็บ้าคลั่งแทงตัวเองบาดเจ็บแผลเบอร์บาไปหมด แล้ก็บ้าหายไปเลยก็คราวๆก็หายไปนี่ท่านจะเห็นว่า <c oughs> แต่ละท่านที่ถูกประทุษร้ายนั้นมีคุณมากและท่านไม่ประทุษร้ายตอบไม่อย่างพระบวชใหม่ที่เอาอาหารให้เด็กไปนั้นท่านก็ไม่รู้เรื่องอะไร แต่คนที่มุ่งบาตุสลายท่านกลับประสบทุกขเวทนากรุกังวาปิอาบาทังคือได้รับอาพาธนะ่ะซึ่งบางครั้งก็ก็ตายไปเลยก็มีอยู่เป็นจำนวนมากและจิตตักเคปังวป า, าปาุนเนคือถึงความฟุ้งซ่านของจิตจิตจะฟุ้งจนถึงครุ้งคลั่งจนถึงกับบางทีก็วิ ป, ปลาดไปเลยคือบ้าไปเลย คนนี้ <c oughs> เพิ่งดูตัวอย่างน้องค น, คนหนึ่งศึกจะอยู่แถวนะครชัยศรีนะฮะมาค้าขายทางเรือแล้วเกิดไฟไหม้ที่ฝั่งทนนานาแล้วแกก็จอดเรือเข้าไปคือคนหาทางออกไม่ได้ก็ขนของหนีมันก็ติดแม่น้ำเจ้าพระยาและในที่สุดแกก็จอดเรือเข้าไปบอกให้เขาขนของลงเรือแก มาช่วยพี่น้องทั้งหลายผมมาช่วยแล้วก็ข น, นของลงมาในเรือไอ้คนอารามตกใจเนี่ยไม่ไม่รู้เรื่องขนจนลงเต็มตอกลังคืนด้วยไฟไหม้กลาคืนด้วยพระของเต็มแล้วแกก็ถอเรือออกกลับบ้านรวยเลยรวยอยู่ก็ไม่นานน่ะต่อมาก็เกิดป่วยหนะัก เวลานักไอสิ่งที่แกอยากดื่มมากคือน้าร้อนอยากดื่มน้ําร้อนมากให้ลูกต้มให้ไม่ไรมันก็ไม่ร้อนสักทีพอลูกเผลอทั่านเองแกก็ต้มเองตัวเองน้ําก็บังเดือดเต็มที่เลยจับทั้งกาเลยกรอกปากตัวเองแล้วสึกว่าอร่อยเลยนกได้ดื่มน้ําอิ่แล้วก็ดิ้นรนอยู่พักหนึ่ง ก, ก็ไม่ต้องห่วงฮะก็ตาย นี่เราจะพราะว่าท่านเหล่านั้นอาจจะมีคุณไม่เสมอกันหอกคนที่ถูกฝ่ายไม้เนี่ยแต่ว่าหลายคนนเป็นการวาทุจร้ายต่อคนที่กําลังประสบภัยพิบัติแล้วเขาเองก็ไหวเนื้อเชื่อใจไม่คิดประทุจร้ายก็ประสบความฟุ้งซ่านของจิตแล้วก็เวทนากร้าอาพาธหนักต่อต่อกันหลายข้อนะอยังรุนแรงแ ต, ตัวเองก็ ตายไปด้วยความทุกข์ทรมานนี่ก็เป็นเป็นอีกข้อหนึ่งประการต่อไปคือราชาต ว, วาอภักขาดนังคือถกถกอัดยาของบ้านเมืองพูดสำนวนปัจจุบันก็คือถูกกล่าวหาถูกเป็นผู้ต้องหาของบ้านเมืองในในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดท้ง ตามกฎหมายเพราะสวนมากการมะทุสร า, ายมันก็ต้องผิดกฎหมายด้วยผิดศีลธรรมด้วยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้มากมายแก่กองซึ่งคนบางคนนั้นมุ่งที่จะไปทําลายล้างคนอื่นโดยไม่ได้คิดถึงความเดือดร้อนที่คนเหล่านั้นจะได้รับแล้วเขาเองก็ไม่รู้ก็เห็นจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าเอาประวัติศาสตร์หน่อย เขาตายไปนานแล้วคงไม่เป็นไ ร, รในสมัยรัชกาลที่สี่มีเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นรอยด่างทางประวัติศาสตร์ที่บอกจะแรงคือกรมหมื่นรักรณเรศซึ่งเป็นพระโอรสของพระพุทธยอดฟ้าสุลาโลกหรือหม่อมไกรสอนที่เราเรียกกันท่านเป็นดูฝักฝ่ายของพระน่งกล่าวแลวก็พยายามกีดกันรัชกาลที่4ี่มาตลอด แม้แต่ทรงพรนวดแล้วก็ท่านกดจองล้างจองพรานเรื่อยแม้เป็นคนที่คอยเป่าหูราชการที่สามเรื่อยราชการที่สามท่านรําคาญคือท่านนักหลายได้โปรดเข้าใจนะฮะราชการที่สามนั้นท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าคือทําตัวเหมือนพระเวสสันดรลอกเรียนปฏิปทาของพระเวสสันดรแม้แต่ให้ทานโอรสธิดาก็ให้แบบพระเวสสันดร มาถวายพระวัราชานะพระรับไม่ไหวไม่รู้จะเอาอะไรให้กินัเลยคืนแล้วท่านก็เอาทุกอย่างไปเรียนแบบพระเวสสันดรทุกอย่างแต่ไม่ถึงก็ไปอยู่เขาวงกดเท่านั้นเองเพราะไม่มีพระเจ้ากรุงสนใจเพราะงั้นเมื่อมองไกลสอนใส่ราชร า, ราการที่สี่ยังไทงท่านก็ไม่สนพระไทยแต่ต้องการตัดความรําคาญก็นิมนต์ราชการที่สีาา่มาอยู่วัดวรจักวัดราชามอยู่วัดวรจักรวัดราชเองนั้นเล่นทุกแบบเลย เมื่อทำอะไรราชการที่สีไม่ได้สมัยที่เป็นพระอยู่ก็เล่นงานพระธรรมยุทธถือว่าเป็นลูกศิษย์พระจองเกล้าพระธรรมยุทธไปบินตะ บ, บาหรีอวางท่านท่านก็ตักบาดด้วยข้าวต้มบาดเหล็กสายข้าวต้มมันซึ้งขนาดไหนลองนึกดูอะกันก <laughs> <laughs> ็กัแรแกล้งสารพัดจะเรียกว่าหาความสงบไม่ได้เพราะองค์นี้ท่านกาะกวนอยู่เรื่อยเลย ราชการที่สนั้นท่านไม่โต้อตอบไม่อะไรทั้งหมดเลยว่าโดยสักมันก็เป็นอานะครับสักก็เป็นอาแล้วก็มารังแกลานก่อนสามวันนะก่อนละสามสีว่วันนะราชการที่สก็ได้พระพุทธภัยรีพินาศมาตอนนั้นเป็นพระคันธาระก็ไม่เรียกว่าภัยรีพินาศเลยหรอกพระพุทธรูปคนนํามาถวาย ก็หลังจากนั้นไม่กี่วันหมอมไกรสอนก็ถูกจับสําเร็จโทษก็เป็นเรื่องอละครนอกละครนายอะไรแตไรเนี่ยเรื่องประวัติศาสตร์เยอะก็สำเร็จด้วยท่อนจันท์ก็ใส่ในถุงแล้วก็ตีด้วยท่อนจันท์แต่ท่านก็เก่งนะฮะมีเกรดขำๆ ค, คือท่านเป็นกรมที่มีหน้าที่ควบคุมเรื่องนี้โดยตรงไอ้คนตีมันสั่นมนะันตีเจ้านายตีแล้วตีอีกปิดปิดถูกถูกไม่ตายทันทะีเล ทันตะโกนมาจากในกรนะสอบน่บอกว่าตีที่คอต่อที่ ไ, ไอ้พวกนี้มันสอนไม่จำาลลงน้องก็ตีเพี้ยเดียก็ตายนี่ท่านใจเห็นว่ามันก็เกิดราชาตั ว, วอุปศขังคือผิดเกิดอุปคเกิดอันตรายจากบ้านเมืองแล้วข้อต่อไปก็คืออภักข่านางวดารุนัง ถูกกล่าวร้ายถูกกล่าวตู่ถูกใส่ร้ายในเรื่องราวที่รุนแรงหยาบคายซึ่งจะทําให้ตัวเองเสื่อมเสียตกต่ำได้คนนี้เราก็มีคนอยู่เป็ น, ปนจํานวนมากเหมือนกันที่เคยใส่ร้ายกล่าวร้ายท่านผู้อื่นเอาไว้และโดยเฉพาะก็คือคนที่ท่านไม่คิดประทุษร้าย ในที่สุดตัวเองก็ถูกใส่ร้ายถูกกล่าวหาด้วยตัวอย่างในสมัยก่อนก็มีอยู่มากในเรื่องราวในชาดกหรือแม้ในธรรมบทเองรพระที่ใส่ร้ายพระใส่ร้ายใดยังมีพระองค์หนึ่งฮะคือเอ า, เ, อาเศษวิบากกรรมอะไรกันเศษวิบากกรรมเล็กๆมีพระองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลนี่มีแปลกตรงนี้แปลก ชื่อพระกุณฑาธานท่านไปที่ไหนจะมีคนเห็นพระองค์นี้มีผู้หญิงตามอยู่ตลอดเลยท่านเข้าห้องก็จะเห็นมีผู้หญิงตามเข้าไปจนถึงกับทนนาธบินทิกาเศรษฐีชักเชื่อนะฮะมีคนก็พูดกันแส้แสหมดเลยพระองค์นี้มีผู้หญิงตามอยู่ตลอดเลยแล้วเวลาชาวบ้านเองตักบาตรนะ ก็จะตักให้ท่านสองทัพีองค์อื่นทัพีเดียวไว้ทัพีหลังก็เผื่อเผื่อผู้หญิงที่ติดตามอยู่ทุกคนก็เห็นครแต่พระพุทธเจ้าเองก็อยู่ใกล้ก็ไม่เคยรับสั่งอะไรคนกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ประทับนิ่งไม่รับสั่งอะไรคนก็ไปบอกอนาตบินเศรษฐีอ่ะไปบอกธนนาตบินทิกะเศรษฐีเพราะอยู่ที่พระเชดตะวัน ทนนาตบินทิกาเศรษฐีถามว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งอย่างไงมัง่งบอกไม่รับสั่งแล้วในที่สุดธนนาตบินทิกาเศรษฐีก็มาดูนะฮะพอเห็นท่านเข้าห้องมันก็เห็นผู้หญิงเข้าไปขอคนห้องก็ไม่มีผู้หญิงก็เห็นท่านนั่งอยู่คนเดียวเอ๊ะมันเป็นยังไงทางออกทางเขตก็ไม่มีแต่พอเห็นจะเห็นอย่างนี้อยู่เรื่อยเลย ก็พิสูจน์ไม่ได้นะถาถบินติกาเศรษฐีก็กลับไอ้พระที่จ้องจับผิดท่านก็ชักจะรำคาญก้นมาแล้วเลยไปว่าท่านเลยท่านก็ท่านก็ไม่เห็นนะฮะผู้หญิงเนี่ยท้งก็เลยโต้ตอบปแรงๆก็เสร็จแล้วก็เรื่องมันเข้าสู่พุทธจักรนาะคท่นี้พอเกิดเรื่องกันพระพุเจ้าก็ตำหนิท่านกุณธานเนี่ยถามพิสุจเหล่านั้นว่าที่เธอพูดนะเธอเห็นเดอ พีสก็บอ ก, กยืนยันว่าเห็นแล้วถามท่านคุณาทานที่เธอด่าเขาว่าไปไหนมีผู้หญิงนะเธอเห็นหรือเปล่ามองไม่เห็นะขามันโกรธมาว่าคือมาใส่ร้ายท่านท่านก็ว่าเอาพระเจ้าก็หาจับประเด็นตรงนี้แหละแล้วก็ยกขึ้นเป็นเรื่อง ต, าตํานิเบราะนี้เธอเนี่ยไปทําเรื่องไม่เป็นเรื่องมนาะชาติก่อนก็ทําเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่องและชาตินี้ก็อีกคือคนอื่นก็พูดตามที่เขาเห็นแล้วเธอเนี่ยไม่เห็นเธอก็ไปพูดไม่เห็น ในสุดก็เล่าเล่าฟังวันนี้เป็นวิบากกรรมเฉยๆไม่ได้มีภาพไม่ไม่ได้มีผู้หญิงจริงๆแต่เป็นวิบากกรรมที่ทําให้เห็นเราอย่างนั้นเป็นเรื่องของเทวดานะคือสมัยก่อนในท่านรูปนี้ท่านเกิดเป็นเทวดาพวกแสนะเทวดามันก็แสกก็จะมีพระเทรศสองรูปที่มีศีลารวัตรดีมาก แล้วก็สมานสมาคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเคารพนับถือกันไปไหนก็ไปด้วยกันไม่เคยแตกแยกกันอสององค์นี้ท่านเดินทางเดินทางไอ้เทวดาองค์หนึ่งเห็นหมพระสองรูปนี้ท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจรงิงทำยังไงนะ่าจะให้แตกแยกกันก็เลยเทวดาองค์หนึ่งก็แวะถ่ายทุกนะแะในป่านะ พอออกมาเนี้เทวดาก็ปลอมตัวเป็นผู้หญิงอยู่ข้างหลังององที่นี่องค์งที่ถ่ายทุกน่ะไม่เห็นอะแต่ว่าองโน้นที่ยืนคออยู่ท่านเห็นก็สององก็แตกกันนอง์องค์นี้ท่านก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรท่านไปถ่ายทุกช่วยๆจนในที่สุดสององก็แตกกันทําพระให้แตกกันเป็นการประทุษร้ายต่อผูมให้ประทุษร้ายคือคนก็สามัคคีกันไปทํำจะแตกเลย แล้วนี่วิบากกรรมที่ทําให้ท่านมาต้องมาชดใช้กรรมแมทชาตินี้ท่านมีบา ร, รมีสูงมากนะมีบา ร, รมีสูงมากที่จะบรรลุอรหัตเป็นพระอรหรรันต์ระดับ42่สองอสบเอ็ดองค์ระดับภาษาขอผู้ใหญ่เนี่ยแต่ยังชดใช้วิบากกรรมอยู่ตั้งหลายปีไปไหนมีผู้หญิงตามอยู่ด้วยมีคนเขาโจทย์เขาตําห น, นิแต่ก็แปลกเหมือนกันคือไม่ไม่มีอะไรใครไม่มีใครทําอะไรแรงแรงพอบรรลุอรหัต ก็พลาดนี้ก็หายถือว่าชดชายวิบากกรรมกันเสร็จ ส, สิ้นนะฮะกรรมก็เป็นอาโหสิไปนี่ก็คือถูกการกล่าวตูด้วยเรื่องที่ไม่จริงเพราะอะไรเพราะเราไปประทุษรายเขาในลักษณะนั้นออประการต่อไปนั้นก็คือปริคขยังวยาตีหนังคือเสื่อมญาตเสื่อมจากญาติพี่น้อง ก, ก็มันทุกอย่างเลยฮนะแม้แต่ตายมันก็เสื่อมญาติพี่น้องหรือว่าเกิดล้มจมขึ้นมาก็เสื่อมจากญาติพี่น้องเป็นตัวอย่างที่ที่เห็นกันได้ง่ายๆหรือคนซึ่งประทุษร้ายคนอื่นแล้วในที่สุดก็จะเสื่อมจากญาติพี่น้องนี่เราดูตัวอย่างประวัติศาสตร์นะครับคืออย่าไปถือว่านินทาใครเคยมานี่ยเราจะสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ในช่วง ก็เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ติดตามคนเหล่านี้ที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่ด้วยว่ามีจุดหนึ่งที่เราน่าสังเกตนะคือเรามองในแง่ของกรรมท่านที่มีส่วนอย่างสำคัญในการผลักดันให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องนิราศรลังต้องเสด็จสวรรคตอยู่ในต่างแดนคนพวกนี้ให้ลองสังเกตดูนะไปอ่านประวัติศาสตร์ดูก็ได้ ไปตายต่างแดนหมดด้วยโรคอย่างเดียวกันกับที่รัชการที่เจ็ดสวรรคตไปลองนับหัวดูก็ได้หนึ่งสองสามสี่เลยตายต่างแดนทุกคนแล้วด้วยโรคอย่างเดียวกันนี่เสือนะเส่อมญาตนะฮเสื่อมญาตแล้วก็เสื่อมเยอะแยะไปหมดเป็นเรื่องที่น่าสังเกตไว้เพราะว่าเราดูถึงประวัติศาสตร์ในช่วงนี้จรงิงๆแล้ว รายการที่เจ็ดทั้งเตรียมพร้อมเอาไว้ทุกอย่างแม้แต่รัฐมนูลเองก็ร่างไว้แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่ท่านยังเห็นว่าไม่พร้อมต้องให้การศึกษาไปก่อนค่อยเป็นค่อยไปกันทีละเล็ ก, ท, ลลกทีละน้อยที่จริงเราเริ่มวางแผนการปกครองระบบประชาธิปไตยมันตั้งแต่สมัยรัชการที่สี่แล้วาวางมาในก่อรากมาตั้งแต่รัชการที่สามนะก็สืบต่อกันมาเรื่อยๆจนมีการทดลองอะไรต่ออะมาโดยลําดับ ขาดตั้งดุสิตธานีขึ้นมาทดลองอะไรเนี่ยคือมันเริ่มเรียนกันมาก่อนจตอ น, นเมื่อมีอะไรก็ทํำทแถลงการรุนแรงก้าวร้าวใช้คําไม่มีสัมมาคารวะเลยแลต่ตั น, นี้ยท่านก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรไม่รุนแรงอะไรเล้วเมื่อเห็นว่ามันก็สุดวิสัยอะไรท่านก็สละราชสมบัติเฮยว่าตลอดนั้นพระองค์ไม่มีพระประสงค์จะประทุษร้ายคือถ้าจะโต้ตอบก็วันนั้นก็ขี้เกียจจะตายแล้ว ก็ฝา ก, ากกกไม่ได้พร้อมอะไรนี่นะไปอยู่ที่พระบร ม, มรูปปืนยังไม่มีกระสุนเลยไปดูรายละเอียดไปศึกษารายละเอียดโดยเฉพาะที่นายควงเล่าให้ฟังเนี่ยฮะได้ห็นว่าไม่มีพร้อมอะไรเลยแต่ว่าเนื่องจากท่านไม่ต้องการให้ราชดรเดือดร้อนท่านมีพระทัยที่มุ่งอนุเคราะห์จริงๆคนไปเล่นท่านแรงอย่างนั้นมันก็ออกมาอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์นะฮะคือ ท่านเหล่านั้นก็ได้ตายกันไปหมดสิ้นแล้วแต่ต้องการชี้ในประเด็นของกรรมให้ดูว่ามันตรงกันที่รพระพุทธเจ้าสแสดงหรือเปล่าเรเสื่อมต่อไปก็โพคาังวะประพังคุนังคือเสื่อมอทรัพย์สมบัติมันพินาศทรัพย์สมบัติพินาศไปอันนี้มันก็ธรรมดานะฮะคือธรรมดาคนที่ ไปกระทำผิดคิดปายอย่างนั้นพอประสบอะไรข้าสักอย่างทรัพย์สมบัติก็ต้องพินาศพินาตามไปบางทีก็ต้องเสียเงินเสีอทองในการต่อสู้คดีนี้ก็มีมากแล้วกันหรือแม้แต่ตัวอย่างท่านเศรษฐีที่ว่ามาแล้วนะก็เสียทรัพย์ไปอย่างน้อยก็เจ็ดพันกหาปหนันะในการจ้างให้ทิ้งโคสกเจ็ดครั้งด้วยกันต่อไปก็คือ อันนี้ท่านยาวท่านใช้คำแปลกดีอัถวาสะอาการานิอภิดหหิตปาวโกข้อที่9กนะครับคือไฟที่เป็นตัวล้างผลาญไฟที่ตัวผัผลาญ น, นั้นจะไหม้บ้านคือไฟจะไหม้บ้านมีบุคคลเป็นอันมากที่ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในในอดีตที่ผ่านมานะ ที่ประทุสร้ายต่ออะไรก็ตามต่อคนต่อวัตถุต่อสิ่งที่ไม่ประทุสร้ายก็ประสบอันตรายเหล่านี้ประการสุดท้ายเราจะเห็นว่าผลบาปทั้ง8ประการไอ้เประการเนี่ยเป็นผลที่เราดูกันได้ในชาตินี้ในปัจจุบันนี้ ในข้อสุดท้ายทรงใช้คำว่ากายสเพดาดุปันโยนิระยงโโซอุปัชติคนที่มีปัญญาสามหรือคนทำอย่างนี้ทางศาสนาถือว่าปัญญาสามคือโง่โง่มากเดยคือไม่รู้จะไปทำทำอะไรทำแล้วเป็นลักษณะของการปาวุ่นทวนลมหรือโถมน้ำลายรถฟ้าอย่างที่ว่าคือแทนที่คนอื่นก็จะเดือดร้อน แต่เรากลับเป็นคนเดือดร้อนตัวเองมันก็เหมือนกับการด่าคนอื่นจะพาบว่าถ้าเราไปด่าเขาโดยเขาไม่ด่าตอบนี่เราเจ็บแค้นมากเลยแต่อาจจะหมายถ้าด่าตอบก็จะตบให้จำหนับเลยเพื่อนไม่ตอบเลยไม่ได้ตบเลยไปนอนแค้นอยู่คนเดียวทําอะไรไม่ได้ นี่เราเห็นได้เลยว่าประสบเวทนาประสบอ า, าพาธประสบความร้อนใจฟุงงซ่านทางจิตมันมาเป็นแถวมาน่ยมันไม่ได้อันเดียวไม่ได้อย่างเดียวแตนมาตั้งหลายอย่างนี่ก็คือตัวอย่างของการประทุษร้ายคนที่ไม่ประทุษราย9าอย่างในเราเห็นกันได้นะแล้วหาตัวอย่างนิทานบุคคลมาดูได้ตลอดเลย เชื่อมาเคยเคยสังเกตเอาไว้ว่าโดยคนที่เราเคยศึกษาติดตามดูผลกรรมในการประทุษร้ายคนที่ไม่ประทุษร้ายนั้นไม่นานนะจริงมันจะไม่ถึงปีเลยซ้ำไปและจะประสบผลเหล่านั้นในเวลาที่รวดเร็วแล้วก็ออกกรุนแรงมีคนที่ที่เยอะหน่อยนะ เยอะเลยคนเนี่ยแก ค, คือเยอะเหลือเกินน่ะแกทำอะไรมามากมายตอนแกประสบอิบากกรรมก็โดนหินระเบิดทับมันไม่ใช่เชิงทับมันลงมาทุบเอาลงมาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรเรียกว่าเลือดออกทุกขุมขนเลยทรมานอยู่ประมาณสักร่ ม, รมสิบชั่วโมงอะ่ะจึงตาย เลือดโชกหมดเลยมาออกมาทุกลุมคนดูเลอะไปหมดไม่รู้มาออกมาทางตรงไหนมั่ง น, นี่เป็นเป็นเรื่องที่แปลกมากกว่าในขณะที่เขาระเบิดแรกกันเนี่ยคนนั่งหันหลังห้อยู่ทั้งหลายคนแล้วแกก็นั่งอยู่ตรงกลางแต่หินทั้งหมดนั้นมาลงบนหลังแกคนเดียวเองไม่ได้ถูกคนอื่นเลยนี่ก็คือ การบันดาลของกรรมที่เราก็นึกไม่ออกว่าหินมันมาได้ยังไงคือมานาะมาได้แหละแต่ว่าคนนั่งใกล้ทำไมไม่ถูกนี้ก็คือจากย้อนกลับไปศึกษาไอ้ชีว่าประวัติแกที่ใกล้ที่สุดก่อนก่อนแกจะเกิดเรื่องนี้ไม่กี่วันนั้นแกหลอกเพื่อนคนหนึ่งไปคือแกไม่พอใจนิดเดียวเองอแล้วเพื่อนก็ไว้เนื้อเช่อใจดีชวนไปหาผักด้วยกันแกกุดหลุมเตียมาแล้ว พอไปถึงตรงนั้นนายก็ตีฝังเลยตีฝังแล้วกลบดินแล้วมาอยู่เจ้ไม่รู้ไม่ชี้เพราะแกฆ่าคนมาแย่คนเนี้ยคนมันแยะ แ, แล้วพอถึงคราวกรรมมาก็ให้มันก็ประสบอะไรทั้งเวทานาทั้งฟุ้งซ่านของจิตทั้งความแตกของสรีระทั้งเสื่อมชรัพทั้งเสื่อมยะมันมีทั้งสี่ห้าอย่างทีเดียวแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างใดอย่างหนึ่งนะะแต่มันก็เริ่มที่ตรงไหนตรงใดตรงหนึ่งก่อนส่วนมากมันก็จะ อิตตะเข้ปางมะปาปูเนถึงความฟุ้งซ่านของจิตมาก่อนอต่อไปก็อาจจะเดินไปในเรื่องอื่นเรื่อยๆก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่คนเหล่านั้นกระทำและจากตัวอย่างโดยสรุปนะฮะตัวอย่างโดยสรุปทั้งหมดทั้ง9ประการหรือแม้ต้องสิบประการต่อไป เ, เราดูพระเทวทัตเทวะเวเทวทัตพระเทวทัตนี่ชัดมากเลย พอถึงจุดที่ท่านจะถึงเข้ามาจริงๆนี้มันครบหมดเลยมันแพนพระพุทธเจ้าที่ทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็จิตตักเข็ปังคือฟุ้งสั้นของจิตแล้วก็ถูกประโกการลิกลูกน้องขึ้นเขา่าเอากอักเลือดป่วยหนักนะฮะก็อาภาษหนักาภาษหนักก็ประสบเวทนากล้า แล้วก็ถูกชาวบ้านด่าว่าอะไรอะไรรุนแรงมากแล้วก็จบลงด้วยการตกนรกเพราะในเก้าอย่างเราเห็นได้นะข้อสุดท้ายนี่ต้องยกถวายพระพุทธเจ้าเก้าอย่างแรกเราเห็นได้ทั้งหมดเลยข้อสุดท้ายก็ต้องยกถวายพระพุทธเจ้าในกรณีที่คนเหล่านั้นต้องตกนรก คนใครจะไปรอพิสูจน์ตัวเองก่อนเชื่อก็ตามใจนะแต่ว่าคงควรจะเชื่อไว้ก่อนปลอดภัยดีเรื่องราวเหล่านี้มีคนเยอะแยะไปหมดเลยในคำภีพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะคือกลุ่มที่ประทุษร้ายท่านไม่ประทุธร้ายใหญ่ๆนะฮะเช่นเช่นอะไรนะ5ห้าคนนะฮะห้าคนที่ทำที่ถูกธรณีสูบห้าคนเนี่ย ก็เป็นการประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายแล้วก็ตกนรกเรียบร้อยหมดเลยทั้งห้าคนคือใครคือพระเทวทัตนี่ประทุษร้ายต่อพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ประทุษร้ายตอบหลายครั้งหลายคราด้วยกันก็รุนแรงวัตถุใหญ่เหลือเกินเพราะไปประทุษร้ายต่อพระพุทธเจ้าก็ตกนรกท่านสุ ป, ปะพุทธพ่อของพระเทวทัตรประทุษร้ายต่อพระพุทธเจ้าโดยการไม่ คือปิดทางมาให้เสด็จพุทธดำเนินไปบินทบาทแล้วก็ถูกธรณีสูบอันนี้แรงนะพวกแรงแรงนางจินจามนาวิกานั้นก็เหมือนกันคือสอยร้ายพระพุทธเจ้าถูกประชาทันถูกธรณีสูบตายนันทามานพไปประทุษร้ายต่อพระวุลวนาเทบรีที่เป็นพระหรันอันนี้ถือว่าแรงสุดเอ่อ ห, ห้าคนนี้ถือว่าแรงที่สุดเนี่ยคือตกนรกเร็วพลันกิปังเมวะนิคัดเจติเลยคือเข้าถึงเข้าถึงฐานะรนรกนี้เร็วพลันมากประทุสรายต่อพระอุบลวรรณนาเทรีผู้ไม่ประทุศรายวิ่งหนีไปพอรับตาดานก็ตกตัวี้สุไปแล้วก็นันทยักนันตกะยักจึ่ง ไปตีหัวภาษาริบุตรในขณะข่าสมาบัตินี้แรงคือแรงสองชั้นแรงด้วยอะรหัตคุณรือท่านเป็นพระหันนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็แรงที่ท่านอยู่ในสมาบัติพระที่อยู่ในสมาบัติถ้าไปประทุษร้ายแล้วผลมันจะแรงขึ้นถ้าผลลบนะผลบวกก็แรงขึ้นด้วยเจนว่าเมือท่านออกจากสมาบัติเราก็ได้ไปถวายทานกับท่านคนแรก เถือว่าได้ทักทินในย้บุคคลชั้นเยี่ยมที่สุดคือต้งโบกต้องลบมันก็แรงนะครนับนันตากายยักษ์ก็ตีหัวภาษารีบุตรในขณะอยู่สมาบัติเลยประสบโทษที่รุนแรงาจากตัวอย่างที่ที่กล่าววันนี้ไม่ว่าในชั้นโลกคือในชั้นที่เราที่เราดูเห็นกันได้ หรือว่าชั้นที่จะตกนรกก็ตามมีเรื่องราวมีนิทานบุคคลให้ศึกษาให้หาความเข้าใจได้มากแล้วบางครั้งเราจะพบว่าอย่างการแตกของสรีระเช่นพวกที่รุมทุบตีพระโมคคาลานะเนี่ยจนกระดูกแตกบอกช้ำสาหัสสากาัน คนเหล่านี้ก็ถูกจับได้ทั้งหมดแล้วก็จับก็ทหารทั้งหมดเล ย, ยทันทีทันใดนี่ก็เป็นราชโตวาด้วยนะคือว่าเกิดจากกฎหมายบ้านเมืองหรืออุปสรรคจากทางบ้านเมืองแล้วก็ถูกการแตกของสรีระไอการเสรื่อมยาบเสื่อมทรึมทรึมทรึัพ ม, ม, มันก็เกิดขึ้นเองเพราะร่างกายตายแล้วก็ไม่ต้องนับ ท, ทั้งนีน้ดังนั้นบาปรุนแรงเหล่านี้จึงเป็นบาปที่ควร แกการสำรวมระวังถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆก็น้อยก็ตามเพราะที่จริงมันก็เริ่มสะสมมาจากเล็กๆน้อยๆแต่ในสุดถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นบาปที่มีปริมาณมากก็เหมือนกับบุคคลคนหนึ่งที่แกไปลุกล้ำเอาที่วัดนะ ก็ใช้ปลูกไม้ไผ่ในแนวที่เล่าให้ฟังฮะแต่นี่ลุกคืบหน้าไม่ได้ถอยคือจนเข้าไปในที่วัดตั้งเยอะแล้วแกก็ใช้ไม้ไผ่นี่ลุกเออย่างนี้แล้วก็ถือครองที่วัดเข้าไปมากก็เป็นการประทุษร้ายต่อนีสถาบัณฑ์นะต่อศาสนาซึ่งไม่ได้ประทุษร้ายอะไรแกต่อมาแกก็เกิดป่วยก็นอนไม่ได้นอนบนพื้นนี่ไม่ได้ ต้องนอนบนบนดินโดยขุดดินก็เป็นปลักแล้วน้ำใส่ก็นอนมันก็หมูฮะนอนกริ้งเกลืออมันก็หมูตีแปลงหมูมปลักอยู่อย่างนั้นน่ะทนทุกข์ทรมานอยู่นา น, นานจนกว่าจะตายนี่ก็เป็นการประทุษรายต่อผู้ที่ไม่ประทุษรายตอบหรือมีอีกยายคนหนึ่งอันนี้ก็ ใช้อะไรเอาไอ้ข้าวแกลบนะแกลบมาปนกับข้าวข้าเปลือกเอาแกลบมาปนกับข้าวเปลือกไปหลอกขายเขาํารงอาชีพนี้อยู่นานเวลาแกตายนั้นก่อนจะตายก็นี่ฮะกินข้าวกับแกลบคือถ้าถ้าเป็นเม็ดข้าวล้วนๆเนี่แกแกแกินไม่ได้มันต้องมีแกลบปนอยู่ด้วย ดีแกรบก็แยะกินเข้าไปก็อริดอร่อยนี่ท่านทั้งหลายอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นกรร ม, มปฏิสราโนกรรมมันหล่อเลี้ยงะฮะมันไปมันได้คนพวกนี้ยในกรรมหล่อเลี้ยงเอาไว้เป็นความอริด อ, อร่อยเป็นความชื่นชมยินดีของแกอย่างที่เล่าถึงยายคนหนึ่งแกตายแล้วจะออกชื่อแกตั้งมูนิธิไว้แยกคนนี้ยมูนิธิบรรวงว่าคือที่หลังแกกลับตัวได้นะฮะคนนี้กินอุตภิพิตรกับ กับเกลือแต่ น, นั้นเองแล้วก็ข้าวแดงแดงมีกากคนกินอยู่ได้ตั้งเจ็ดแปดปีตอนนั้นมาพวกแกนั่งกินได้เจ็ดปดปีนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนที่ออกเงินให้เขากู้แล้วไปรีดเอาจนลูกเต้าเ็าอดจากคิวโขยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี่ก็ในที่สุดมันก็ประสบอย่างนี้อย่างรุนแรงในยายคนนี้ก็เหมือนกันครก่อนจะตายนี่ก็กินข้าวปนแกรบยนี พอตายไปแล้วเป็นเรื่องที่อัศจรรย์จนคนเห็นแล้วก็ขนลุกขนพองเก็บศพไปสามคืนพอก่อนจะเอาศพไปวางเชิงตะกอนเปิดฝานี่มีข้าวงอกเต็มเลยในหลง ม, มาจากไหนก็รไปดูนี่ในคนลุกขนพองกันเลยเป็นกรรมที่ก็บ่งชีพพอสมควรฮะว่าท่านก็คงเหมือนที่ทรงแสดงไว้ในข้อที่สิบ เพราะความเป็นผู้มีปัญญาสามประทุษรายต่อคนที่ไม่ประทุษรายมันจะแรงมันจะแรงคือมันมันผิดกับไอ้ลักษณะอย่างหนึ่งหรื อ, อย่างคนผ่านในพระเจ้าทรงแสดงไว้คู่กันเนี่ยคือคนผ่านคนประเภทหนึ่งล่วงเกินคนอื่นแล้วไม่ขอโทษจะถือว่าปมนผ่านอีกคนหนึ่งคือเพื่อนขอโทษแล้วไม่ให้อภัยมันก็ผ่านคือผ่านพอั จับคู่เอาไว้อย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าคนหนึ่งไปล่วงเกินคนหนึ่งโดยคนหนึ่งไม่มีการโต้ตอบมันก็ตกงลงมาสองคนคนหนึ่งเป็นพางคนหนึ่งเป็นบัณฑิตคนที่ไปล่วงเกินเขาก็เป็นการล่วงเกินต่อบัณฑิตซึ่งก็หมายความว่ามีคุณสูงการกําหนดความรุนแรงของบาปอย่างที่เคยกล่าวเนี่ยว่าองค์สามประการเนี่ยจะกําหนดเรื่อยๆเลยคือหนึ่งวัตถุได้แก่สิ่งหรือคนอะไรที่เราประทุษร้ายเนี่ย อีกคุณมากหรือคุณน้อยแต่เจตนาคือความจงใจที่ประกอบด้วยโลกโรดหงแรงไม่แรงอาคาตพยาบาทอะไรแรงแรงหรือไม่นี่แล้วก็ความพยายามแรงหรือเปล่าถ้ามันแรงทั้งสามแล้วอันนี้เร็วมากเลยโดยเฉพาะคือท่านเหล่านั้นต้องไม่ประทุสร้ายด้วยแล้วจึงจะเร็วขึ้นจึงจะใช้คำว่าขีปังไ g วะในจจติคือเข้าถึงฐานะสิบประการนั้นยังใดยันยหนึ่งในเวลาที่รวดเร็ว เรื่องากรรมจึงเป็นเรื่องที่เราดูเราก็พบเห็นกันได้พระพุทธเจ้าจึงเป็นเน้นในในหมู่ชาวบ้านนะฮะในหมู่สาธุชนทั่วไปจะเน้นในแนวนี้มากแล้วจากตัวอย่างแม้ในเรื่องของพระจักคุบาลที่เล่ามาแล้วเหตุที่ให้ท่านตาบอดก็เพราะไปประทุษรายต่อคนที่ไม่ประทุษรายถึงแม้ว่าเขาจะประทุษรายนิดหน่อยนะคิดจะเบี้ยวค่ารักษา แต่ว่าก็แรงไปเป็นการกระทาในลักษณะที่รุนแรงแตั้งก็ประสบผลคือตัวเองก็ตาบอดมีบุคคลคนหนึ่งที่ในด้านดีท่านก็ดีเหลือหลายคือศรัทธามั่นคงในศาสนามากแต่ว่าในด้านวิบากกรรมท่านก็แรงคือเป็นโรคเรือนเป็นโรคเรือน ก็น่ารังเกียจนะแต่มีอุปนิสัยบา ร, รมีบรรลุอรหัตคือท่านสุปปภพุทธกธุธิกุติก็แปลว่าโรคเรือนนะท่านอะไรที่จริงมันเป็นอาคาระวะนั่นเองคือเดินสวนกับพระปัจเจกับพุทธเจ้าพวกนี้ก็เหมือนกับเด็กแขกทุกวันเน่พอเห็นพระแล้วมุนดะมุนดะ มันดาในมุนดามุนดาก็เคยหัวโลนในหัวร่มันก็เป็นปทุสรายเป็นปทุสจิตก็เดินกับพระปจเจ ก, กพุทธเจ้าก็ไปไปถมน้ำาหลายรถท่านถมต้องดารถเป็นเชิงดูมินไม่ถึงกับรถท่านอะจะถมใส่หน้าใส่สข้างหน้าท่านแต่ไปเล่นกับพระอรพระอรารหัน <c oughs> สูงกว่าพระอรหรันะก็อรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา ในในสุดไอ้ส่วนดีส่วนดีก็ส่วนดีก็ท่านไปแต่ส่วนไม่ดีนั้นก็คือทำให้ท่านประสบผลวิบากกรรมก็เรียกว่าวิบากของกรรมที่มันเหลือนิดหน่อยนั้นเองเพ่อทำให้ท่านต้องประสบไอ้ความเป็นโรคเรืนแล้วก็ยากจนแต่ก็เป็นพระโสดาบันนะะส่วนดีท่านก็ดีไอ้ส่วนไม่ดีก็ตามกันมาให้ผลกันไป ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนเราจึงขึ้นอยู่ที่การดิกิจการกำหนดของคนเราเองส่วนมากแล้วเราจะไปมุ่งสแสวงหาปัจจัยจากภายนอกไปคิดถึงเรื่องภายนอกอย่างปัญหาที่น่าสังเกตอยู่ประการหนึ่งปัจจุบันคือพวกเด็กที่มีปัญหาซึ่งหมอทางจิตเวชต้องรักษายังเคยไปคุยอะไรกับแกเนี่ยเพื่อจับทางได้ว่าคนเหล่านี้ เป็นคนที่ไม่ไม่ยอมมองที่ตัวเองจะมองปัญหาที่คนอื่นทั้งหมดเลยความเลวร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นแก่ตนจะโยนให้คนอื่นโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอย่างพวกนักจิตวิทยาในปัจจุบันเนี่ยก็พยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าถ้าลูกสามคนลูกคนกลางจะมีปัญหาจะขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่เลืเอเถ่อนกินเลืเอดเถือเองอะ่ะ เดีมันไม่มีข้อยุติอะไรมันอยู่ที่คุณภาพทางจิตของคนเหล่านั้นที่จะปรับตัวเอาได้จะือหาความเข้าใจคือเรียกว่ายาดุปัญโยให้เป็นสุปัญโยปัญญาดีกันเลวกันคนเหล่านี้ก็สามารถที่จะหาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตัวเองได้แตทุกๆคนน่ก็มีโอกาสพอๆกันถ้าจะพยายามวิเคราะห์ตรวจสอบที่ตัวเองแก้ไขปัญหาที่ตัวเอง อย่าไปมองอะไรจากภายนอกเพเกินไปแต่ถ้ามองจากภายนอกและจะเล็งผลเลิอจะกะเกอในสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ถ้าให้เป็นไปตามที่เราต้องการเราจะมองในแง่ลบไปหมดไลยเป็นความเลวร้ายของพ่อของแม่ของอสิ่งแวดล้อมต่างๆในสุดมันก็คล้ายๆกระตอกหลักตรึงตัวเองเอาไว้แม้ประสบความเจริญก้าวหน้าเกิดความเครียดทางอารมณ์มีปัญหาทางใจ ในสุก็แก้ไม่ตกวิธีที่จะป้องกันแก้ไขในทางศาสนาจึงมีการวิเคราะห์ตรวจสอบถึงพฤติกรรมที่เราจะกระทาไม่ว่าจะเป็นการกระทาทางกายหรือทางวาจาหรือแม้แต่ความคิดก็ตามจะมีการสํารวมระวังโดยเฉพาะคือในเวลาเกี่ยวข้องกับคนและสัตว์ทั้งหลายจะให้ถึงกับมีจิตคิดประทุษร้าย หรือว่าแสดงออกถ้าแสดงออกก็แรงไปคือแม้แต่ว่าจิตคิดประทุษร้ายเนี่ยก็พยายามอย่าให้มีเพราะว่ามันจะสะสมสันดานคือจิตเนี่ยมันมีลักษณะอย่างหนึ่งคือสะสมสันดานตัวเองถ้าความคิดการกระทาในเรื่องที่พูดเป็นความไร้ไรๆไม่ดีมันก็สะสมสันดานกันตัวเอง ก็ททำให้กล้าพูดในคำซึ่งไม่เหมาะไม่ควรที่จะพูดหรือกล้าทาในเรื่องที่ไม่ควรที่จะทำเป็นความดำมืดในด้านจิตใจกระทาในทางาศาสนาจึงมุ่งที่จะขัดเกลามุ่งที่จะวิเคราะห์ตรวจสอบสอนเน้นให้คนเห็นว่าในความเป็นไปในชีวิตมันก็เกิดขึ้นจากการ ก, กระทากรทําของใครของเราเองทั้งหมดนะ คนอื่นก็มีลักษณะที่อย่างที่เราพูดกันว่าเคราะรา้ายไข้รุมผีซ้ําดั้มพลอยผีเรือนไม่ดีผีป่าพลอยแ น, แนวนั้นนะคือเราจะต้องสร้างเหตุขึ้นมาอย่างสำนวนของคนจีนที่เขาพูดคมนะฮะคนเราดูหมิ่นตนเองแล้วจึงถูกคนอื่นเขาดูหมิน่นที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นไอ้คนที่เขาเรียกว่าขาดจักรไอ้ท่าหัวงูอเนะี่ยไอ้ท่าหัวงูก็ตัวเองเป็นหัวงูก่อนนะเพื่อนเขาเรียกหัวงู คือถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นคนก็ไม่ดูหมิ่นเราอย่างนั้นแต่การอาศาัยพฤติกรรมพวกอะไรเนี่ยพวกนักโทษพวกช่อราดพวกคอรัปชันพวกโกวงกินอะไรใดที่เราเรียกเรียกวันน้ำกันน่ยคือหมายความวม่าพฤติกรรมนั้นเขาสร้างขึ้นมาก่อนเขาสร้างพฤติกรรมเช่นนี้ขึ้นมาก่อนแล้วคนก็รู้เห็นว่าเขาได้กระทําเช่นนั้นจริงในที่สุดเขก็เรียกชื่อเรียกฉา ย, ยาเอา แต่ท้งนี้ทางนั้นไม่ได้หมายความว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมให้ร้ายป้ายสีกันนะฮะให้รายป้ายสีกันในบ้านในเมืองเราในออกจะเป็นกิจกรรมที่ออกหน้าออกตาระสมควรแล้วคนดีก็โปรโกเกิดขึ้นมาไม่ค่อยได้เลยใครๆก็จะทำลายกันให้หมดคือไม่รู้จะเอาอย่างไงไม่ว่าทางด้านชาติด้านาศาสนาด้านสังคม ใครเด่นใครดีขึ้นมาก็ต้องพยายามตามลายเสียเพื่อไม่ให้ได้ผุดได้เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้จะเอาใครที่จริงอย่างถ้าความรู้สึกนึกคิดของคนเหล่านั้นหรือคนที่อยู่ในสังคมมีความเป็นบัณฑิตมีความสํานึกรับผิดชอบร่วมกันไม่ผูกาดอะไรไว้เพื่อตัวคนเดียวไม่ว่าชาติศาสนาอะไรก็ตามเรถือว่าแต่ละคนนั้นมีเป้าในการดํารงชีวิตในแนวเดียวกัน คือเพื่อบรรลุเป้าเดียวกันคือประโยชน์สุขของชาติบ้านเมืองระศาสนามันก็ต่างคนต่างก็สนับสนุนเป็นปันจจัยของการในการได้เพราะว่าเราจะไปทําอะไรเพื่อคนเดียวมันก็ไม่ได้หรอกเต้องสนับสนุนกันหาคนเพิ่มขึ้นมากๆช่วยกันทํางานพระศาสนาถึงแม้บางครั้งบางคราวมันจะไม่ค่อยจะเรียบร้อยอะไรไปบ้างมันก็ต้องหนุนกันก่อนค่อยๆ ค, ค, ค่อยลิดรอน ก็ขดกล้าวกันไปโดยลำดับแต่เรื่องจากไอ้ตัวตัวร้ายนะฮะคือภายในใจเราคือวิหิงสาเนี่ยท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันมีฐานแรงฐานแรงมันบวกด้วยโลภะก็ทำลายคนอื่นได้คือภายในใจเราคือวิหิงสาเนี่ยท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันมีฐานแรงฐานแรงมันบวกด้วยโลภะก็ทำลายคนอื่นได้โดวยโทสะก็ทำลายคนอื่นได้ เพราะตัวพี่หญิงสายนมันเชื่อโมหะมันกเกตอย่างยังยกตัวอย่างที่ว่ามันแล้วคนที่ประทุษร้ายท่านเราอื่นอาจจะเกิดมาจากจากโทสะหรือจากอิจฉาริษยาอย่างเศรษฐีในเรื่องที่เล่าทั้งหมดนั้นก็กลัวว่าลูกตัวเองจะไม่ได้ต่นนั้นจะไม่ได้เป็นเศรษฐี ท, ท, ทั้งๆที่ไอ้โคศกเองก็เป็นลูกบุญธรรมของตัวแล้วก็ตัวไปเอามาเองไปซื้อหามาเอง ก็เกิดจากกลัวว่ามันก็เกิดจโ ะ, ะ, ะโลภะนะฮะโลภะแล้วก็แปลงตัวเป็นริสยาหริสยาก็กลายเป็นอาคาตคือมองเป็นเป็นสูตรของความรักที่เกิดขึ้นจากรือไม่ใช่ความโกรธที่เกิดขึ้นจากความรักคือตัวเองรักลูกของตัวตกลัวจะลูกของตัวลูกของตัวจะไม่ได้เป็นเศรษฐีก็เลยต้องฆ่าอีกคนหนึ่งซึ่งหมอก็บอกว่าจะได้เป็นเศรษฐีตัวฐานใจมันก็อยู่ที่ปีงสา ดูความรู้สึกสะใจในการเบียดเบียนการประทุษร้ายกันชอบดูความพินาศความเสื่อมความแตกแยกใจเหล่านี้ไอความรู้สึกเหล่านี้จึงแรงแลวก็มีอยู่มากภายในใจคนแต่อาศัยว่ากดเก็บไว้ด้วยด้วยด้วยเงื่อนไขอะไรต่างๆมากมายมันก็ไม่แสดงออกแต่พอแกได้บวกเชื้อโลภเชื้อโกรธขึ้นมาแกก็พุ่งออกมาแรง เรื่องไม่เป็นเรื่องเลยก็สร้างให้เป็นเรื่องขึ้นอย่างตัวยางที่เราเห็นได้ชัดอย่างเศรษฐีเนี่ยคือเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยแกทาไม่เป็นเรื่องจนบุ้นไปหมดเลยทั้งเรื่องเหยเพราะอะไรเพราะพื้นจิตที่ประกอบด้วยวิหิงสาและโลภะพระพุทธเจ้าจึงทรงเปล่งพระพุทธกุฏานตั้งแต่ตอนต้นกษัตรยสรุปใหม่เมื่อทรงสวจพระเนตรทอดดูอทอดพระเนตรดูโลกด้วยทิพยจกักษุ ก็ทั่วไปแล้วก็สรุปมาดูความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกทั้งหมดมันมีเบียดเบียนกันอย่างเดียวสรุปแล้วว่าเบียดเบียนกันอย่างเดียวจึงทรงเปล่งพระพุทธอุทานเมื่อประทับที่ต้นจิกปางพระพุทธรูปปางนาคปกนะฮะมปยาปชังสุขังโลเกปานาปูเตสุสัญจโมนี้ระดับโลกเลย การไม่เบียดเบียนกันคือการสํารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายกิรกรรมระวังต่อการกระทบกระเทือนกระทบกระทั่งด้วยการเข็นฆ่าการเบียดเบียนการระหว่างสัตว์ต่อสัตว์คนต่อคนหรือคนกับสัตว์แต่ว่าใช้คํารวมว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะในแง่ของภาษาในแง่ของความหมายแล้วคนเราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ที่สามารถใช้เหตุผลได้ ก็ไม่แน่หรอกบางทีก็เพี้ยนเพียนไก็มใช้มันก็ได้บางทีก็ใช้ได้บางทีก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าใช้ไม่ได้เนื่องจากคนมันมีปัญญาไอ้ปัญญาเนี่ยมันปัญญาดีก็มีไม่ดีก็มีนะมันก็กาหนดสายมันทั้งท้่านทั้งหลายจะเห็นว่าสายของอริยมรรคที่จริงมันมีสองสายนะอีกฝั่งหนึ่งมันเริ่มจากมิจฉาทิฐิเล่นไปจบที่มิจฉาญาณเป็นมิจฉาวิมุตตไปสายเนะี่มันกัน สายหนึ่งมันก็เริ่มที่สัมมาทิจิแล้วก็ไปออกที่สัมมาญาณไปจบที่สัมมาวิมุติเพราะนั้นไอ้สองสายเนี่ยปัญญาประเภทหนึ่งเป็นปัญญาประเภทที่คุณภาพจิตมันไม่สัมพันธ์กับปัญญาที่เกิดคือปัญญาเกิดขึ้นในคุณภาพจิตมันจเจริญไปไม่ถึงคุณภาพจิตมันจเจริญไปไม่ถึงแล้วคนเหล่านี้จะเป็นคนที่มีภัยอย่างแรงมาก ถ้าเป็นหมอก็อาจจะเป็นหมอที่ข้าสูตที่เขาเรียกอะไรนะหมอหลามกนะจึงหมายความว่าปัญญามันสูงแต่จิตมันไม่ถึงหรือหมอที่ในร่างนักธุรกิจปรเดี๋ยวก็รวยนะยขูดเลือกกันซิบซิบพักเดียวแต่ถ้าคุณภาพจิตมันขึ้นถึงก็เป็นเทวดาไปเลยเพราะมันอะไรมันพร้อมหรือนักวิทยศาศาสตร์ซึ่งไอ้พัฒนาทางปัญญาแกขึ้นสูงแกขึ้นไปสูงแต่คุณภาพจิตมันขึ้นแต่ไม่ถึง กยก็คิดฝนหลวงคนเหลืองอะไรแต่ไรขึ้นมากันข้าคนเล่นๆตอ น, น, นเออจะเห็นว่าแนวของศ า, ศาสนามันเป็นการพัฒนาเคียงกันไปเลยคือปัญญาเกิด่มันต้องดับกิเลสได้แล้วต้องสัมพันธ์ขนานกันไปคุณภาพทางจิตมันต้องเกิดสัมพันธ์กันจะเป็นตัวคุมในการใช้ปัญญาเพื่อไปปัญญาหักเหออกไปนอกลู่นอ ก, นอกทางเป็นมิจฉาปัญญาเป็นมิจฉ เพื่อไม่ให้เป็นปัญญาในทางที่ผิดทีนี้ถ้าหากว่าคุณภาพจิตกัไม่สัมพันธ์ก็ออกมาในลักษณะที่เบียดเบียนกันแล้วก็เบียดเบียนได้แรงนะฮะเบียดเบียนได้แรงประสาทดิสชาร์เยอะเราก็เห็นกันได้ง่ายแต่นั้นพื้นฐานจิตบุคคลจึงต้องปลูกไว้ด้วยอวิหิงสาเป็นพื้นฐานก็เริ่มด้วยการ ไม่ประทุษร้ายตอบแม้แต่คนที่ประทุษร้ายไม่ด่าตอบผู้ด่าไม่ประหารตอบผู้ประหารไม่ประทุษร้ายตอบต่อผู้ประทุษร้าย <c oughs> อันนี้ที่จริงยังพอทำเนานะยังพอทำเนาไอคนที่ประทุษร้ายต่อคนซึ่งไม่ประทุษร้ายนะอ น, นี้คือผ่านบริสุทธิ์เล ย, ยที่ประทุปัญโยจริงๆริคือคนเขาไม่ได้ทําอะไรเราเลย แต่เราก็ไปประทุษร้ายเขาไปทําอันตรายเข า, า, เขาซ้ซําๆำซัก ซ, กซกแล้วผลที่สุดมันก็ตัวเองก็ประสบฐานะทั้ง10ประการอย่างที่กล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแต่แท้จริงแล้วถ้าพอดูจริงเราก็ไม่ไม่ใช่อย่างเดียวก็หลายอย่างอย่างน้อยก็สองสาอย่างในเกิดทําไม่สมใจไม่สะใจก็จิตฟุ้งสั้นจิตฟุ้งสั้นก็เสวยเวทนากล้าโดนก็สองอย่างบวกการไม่ถลายสุขภาพกายเสือ่อมอาภาษหนะัก อาพาธหนักรักษาไม่หายก็ตายตายแล้วใจขุนมัวตกนรกได้ห้าข้อเรียบร้อยก็เดินเข้ามันไปนะเพราะมันเข้าทางของอกุศลพระพุทธภาษิตนี้จึงทรงสแสดงไว้หลายแหง่งแม้ในเนี่ยก็สแสดงไว้สองแหง่งในเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยในประไตรปิดกก็มีปางเพราะเป็นความรุนแรงเหลือเกินที่มันเกิดขึ้นในสังคมของค น, นการประทุษรายทาลายล้างกันเด้ เป็นพานมากที่สุดคือประทุษร้ายคนไม่ประทุษร้ายผ่านที่สองก็คือประทุษร้ายตอบต่อผู้ประทุษร้ายจะก้าวขึ้นสู่ความเป็นบัณฑิตที่แท้จริงก็คือต้องไม่ประทุษร้ายต่อผู้ที่ประทุษร้ายแล้วก็พร้อมที่จะเมตตาเอนูให้อภัยกับบุคคลผู้นั้นฐานจิตก็กลับมาเป็นเมตตากรุณาซึ่งตรงกันข้ามกับวิหิงสาความสงบความเยือกเย็นก็จะเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลผู้นั้น วันนี้ก็ขอยุดจิไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญในธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี